สิ่งสำคัญที่คนป่วยควรต้องรู้ที่คุณป่วยได้ตอนนี้นั่นเพราะภูมิคุ้มกันของคุณผิดปกติถ้าคุณทําให้ภูมิคุ้มกันของคุณเป็นปกติได้มันจะเท่ากับว่าคุณได้หายป่วยไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณรู้หรือยังว่าตอนนี้โฟรไลฟ์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติสามารถทําให้ภูมิคุ้มกันของคุณทํางานได้เป็นปกติแบบไม่ยากและราคาไม่แพงโฟรไลฟ์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติสกัดจากภูมิคุ้มกันโดยตรงสั่งซื้อโฟร์ไลฟ์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติในเว็บไซต์นี้ได้เลย